ขอนอบน้อมต่อคุณพระัตนตรัยโกรการหลวงพระกลมเพื่อนศรธรรมมิทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและยาติธรรมทุกท่านเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานเนะาะคณะสงกรานส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวกันนะไปท่องเที่ยวกันตามสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกันมากมายเนาะ แต่พวกเราส่วนหนึ่งก็ตัดสินใจมาธิ่วัดป่าสุกโตนี้นะอันนี้ก็คงจะมีเหตุจูงใจอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่สําคัญนะั้นะก็คื อ, อการที่เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แหละคือสิ่งสําคัญที่สุดนะก็คือต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะการที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นก็คือรู้ว่าทุกสิ่งนะมันเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ไม่นอนจ่มาชีวิตคนเรา มันไม่ใช่ว่ายืนยาวสักเท่าไหร่นะชีวิตคนเรานะถ้านับจากเวลานี้แต่ละคนเนี่ยมีอายุส่วนใหญ่อาจจะไม่ถึงหมื่นวันเนาะหมื่นะ 10, วันนี่ไม่ใช่ว่ายาวนะอ่าปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันนะเพราะนั้นสิบปีก็เท่ากับสามพันหกร้อยห้าสิบวันนะเพราะฉนั้นเราเนี่ยชีวิตเราไม่ใช่ว่ายาวเท่าไหร่นะเรามาใช้อ่าสิ่งตรงนี้แหละให้เป็นประโยชน์ในชีวิตเรานะ เขาเรียกว่าอ่าพระพุทธเจ้าได้เคยบอกว่าโลกนี้เปรียบเสมือนราชรถอันวิจิตรอันคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คำว่าราชรถอันวิจิตรก็เปรียบเสมือนว่าโลกเนี่ยมีแต่ความสวยงามมีแต่ความน่าเพลิดเพลินมีแต่ความน่าสนุกสนา น, นซึ่งคนก็ติดอยู่กันเป็นส่วนใหญ่เนาะ อย่างประชาชนไทยทุกวันนี้มีประมาณเจ็ดสิบล้านคนแต่ว่าที่จะเข้าวัดจริงๆนี่คิดว่าน่าจะไม่เกินห้าล้านเนาะแล้วในจํานวนห้าล้านที่เข้ามาแล้วที่จะเข้าถึงอแก่นพระสัตรานะจริงๆคือเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีน้อยนะอาจจะไม่ถึงล้านเดียวลนะ้านหนึ่งยังไม่รู้จะถึงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่ระดับเป็นแสนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่อีกหกสิบเก้าล้านนะั่นะ อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาผิดนะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราก็อ า, อาจจะช่วยยากนิดนึงนะก็เลยหลงเพิดเพลินไปนะในราชรถอมิจิตนะแต่ว่ า, าผู้ที่มีปัญญาหาข้องอยู่ไหมนะก็คือเราก็จะเห็นว่าโลกนี้มันก็น่าเพลิดเพลินน่าสนุกสนานน่าท่องเที่ยวนะมีแต่ความสุข แต่เราก็ยังไม่คล่องอยู่แล้วก็มาวัดกันนะเราก็รู้ว่าเออวัดนี้ก็น่าจะมีอะไรดีๆบ้างให้เราได้ตักตวงเอาเป็นเป็นประโยชน์ในชีวิตนี้และชีวิตหน้าอนะชีวิตในสมปฏิภนพะในภพภูมิใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าเราไม่ประมาทในชีวิตเนาะเ <c oughs> พราะเราได้ ท, ทํ า, นะา ท, ทุกอย่างได้ครบถ้วนนะคําว่าทําทุกอย่างได้ครบถ้วนนี่คืออะไรนะพระเจ้าก็บอกแล้วว่าก็คือการให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนานั่นเองเนาะคราวนี้เรื่องการให้ทานเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าสําคัญมากเลยเนาะสําคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่อันดับแรกที่เราควรทําเป็นอย่างยิ่งนะ <c oughs> เพราะว่าการให้ทานนี้ถ้าเราให้ทานได้ถูกต้องแล้วนะมันจะเป็นการที่เรียกว่าจิตเราคลายออกคลายออกเลยนะอ่ามันจะตรงกันข้ามกับคนไม่ให้ทาน <c oughs> สังเกตดูคนที่ไม่ให้ทานคือเป็นส่วนใหญ่เป็นคนตะหนีถีเหนียว เป็นคนค่อนข้างเห็นกนตัวเป็นคนเอาเข้านะกอบกลวยเข้ามาสู่ตัวเองคืออะไรๆก็กอบกลวยหมดนะไม่คลายออกอ่าไม่ไม่คลายออกไปนะคนพวกนี้จะสังเกตดูว่าจะปฏิบัติธรมยากนิดนึงนะเพราะว่าจิตเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ค่อยจะคลายตัวออกอ่าซึ่งตรงข้ามกับคนที่ให้ทานนะคนให้ทานนี้ก็เรียกว่าจิตจะคลายตัวออกก็คือเมื่อเราให้แล้วเนี่ยเราไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนนะถ้าเรา อบริจากสักเงินจํานวนหนึ่งอาจจะร้อยหนึ่งพันหนึ่งก็ขอหวังสิ่งตอบแทนอได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะได้ถูกลอตเตอรี่รั่วที่หนึ่งได้ร่ำรวยอันนี้พอเราหวังสิ่งตอบแทนนี้เราจะไม่ได้บุญเลยนะแทบจะไม่ได้บุญเลยเลยเขเรียกว่าได้บุญน้อยมากนะเพราะว่าเราจิตไม่ได้คลายออกนะเพราะฉะนั้นการที่เราให้ทานนี้ถ้าเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆแล้วเนี่ยอันนี้ได้บุญสูงที่สุดเลยเนาะ ทาโดยไม่ต้องหวังอะไรมันกับที่พระอาจารย์บสารเทศเมชาเนี่ยดีมากไม่ต้องไปหวังอะไรเลยถ้าเรายิ่งหวังนะนั้นมันจะเป็นตันหาเราก็เรียกว่าเป็นโลภะโลภะเนี่ยโลภะเขาเรียกว่าเป็นอกุศลจิตนะเมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วอกุศลจิตที่เกิดจากการทำทานก็จะน้อยลงจิตก็จะไม่เกิดการคลายออกนะคลายก็คือความยึดติดทั้งหลายแหล่นั่นแหละในการที่เราบริจาคได้ก็เรียกว่าเราไม่ยึดไม่ยึดติดแล้วเป็นจาระแล้วนะ เพราะฉะนั้นใครที่ให้ทานบ่อยๆนะให้ทานโดยไ ม, ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่หวังแม้แต่คาขอบคุณไม่หวังแม้แต่ต้องให้มาเห็นเราว่าเราทำสิ่งดีๆนะตรงนี้มันจะเป็นอันิสองส์อย่างหนึ่งว่าจิตจะคลายออกเร็วเพราะฉะนั้นผู้นี้จะแบบทำได้ผลเร็วนะ เ, ปเป็นจิตที่มีการเกื้อกูลนะเป็นการให้นะก็เรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคนที่ให้ทานบ่อยๆจิตจะเกิดการคลายตัวจากการยึดติดในสิ่งต่างออกมา โดยที่ไม่รู้ตัวนะแล้วพวกนี้ก็จะสามารถที่จะบรรลนะุเข้าสู่ธรรมะได้เร็วขึ้นนะบนรรลุธรรมได้เร็วนะตรงนี้นะเราจะเห็นชาติทุดท้ายของพระเจ้านะเกิดเป็นพระเวสสันดรชาดกนะั่นแหละก็เป็นการให้ทานครั้งใหญ่นะเพราะการให้ทานนี่จริงๆแล้วมีผลมากนะถ้าเราเข้าใจในตรงนี้ว่าเราทําไม่ได้หวังอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะไม่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแล้วจิตจะเกิดการคลายออกโดยตัวมันเองเนาะ เนี่ยตรงนี้จริงว่าประเด็นมันต้องเริ่มต้นในตัวฐานก่อนอต่อมาก็เรื่องศีล น, นะศีลนี่ก็คือความปกติของจิตเราถ้าถ้าใครที่ผิดศีลนะสังเกตดูได้ว่าจิตเราจะไม่ปกติหรอกเออไปฆ่าใครก็ามาไปขโมยใครก็ามาไปเป็นมีกิ๊กกับใครอะไรทั้งหลายแหละจิตจะไม่ปกติหรอกใช่หไหมเพราะนั้นอันนี้พื้นฐานเนี่ยมันไม่แน่นคนที่พื้นฐานแน่นเนี่ยก็จะอ่าเหมือนกับเราสร้างตึกสูงเนี่ยถ้าพื้นฐานไม่แน่นก็สามารถที่จะ พังทลายลงมาได้นะแต่ศีลเนี่ยก็เรียกเป็นพื้นฐานของจิตเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเรามีพื้นฐานของศีลที่ดีแล้วนะเราจะภาวนาก็จะง่ายอภาวนาต่างๆก็จะก้าวหน้าเร็วนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะมีสภาวะที่เป็นความปกติอยู่นะมันจะเป็นสภาวะที่มันอ่ามันมีความสุขความสบายอยู่ในนั้น <c oughs> มีความก็เรียกว่ามีความอ่าเป็นความเอื้อเฟื้อในจิตเรานะถ้าเราเป็นคนที่มีศีลแล้วเนี่ย จิตเราจะมีคนเอื้อเฟื้อเป็นคนเกื้อกูล น, นะเมันที่อาจารย์ไปสารเทพเมชาวนี่แหละก็บอกคนไปรักษาศีลกันนะเอรักษาศีลที่อินเดียอะไรเนี่ยนะพอเสร็จการรักษาศีลปุ๊บก็เห็นกันตัวเลยไปเหยียบกันตายนะอันนี้มันเป็นการรักษาศีลที่ไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าศีลที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันจะไม่มีการเช่นนั้นมันจะเป็นการเกื้อกูลกันตลอดนะเพราะฉะนั้นคนที่รักษาศีลถูกต้องเนี่ยจิตจะมีการเกื้อกูลคนอื่นแล้วอันนี้เป็นพื้นฐานที่แน่น นะทำให้เราไปบัตธรรมในผลเร็วนะตรงนี้จึงต้องรักษาศีลกันนะเพราะเรื่องศีล น, นี้ถือว่าสําคัญเป็นลําดับที่ต่อมาจากทานเลยนะส่วนสิ่งสําคัญที่สุดที่พระเจ้าเน้นจริงๆว่าเราเกิดมาในชีวิตนี้แล้วแล้วพบพระพุทธศาสนานี่แหละอะเกี่ยวการให้ทานหรือรักษาศีลศาสนานอื่นๆเขาก็มีอยู่แล้วนะแต่พุทธศาสนานี่มีมีความพิเศษในตรงนี้นะว่าพระเจ้าบอกว่ า, วา ให้เราทั้งหลายนี่แหละช้ำระจิตของเราให้ขาวรอบนะเข้ามาช้ำระจิตเราให้เขาเราก็คือทําใจของเราเนี่ยให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์โปร่รรงใสนะไม่มีกิเลสต่างๆเข้ามาเจือปนในจิตเรานะให้จิตเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ให้ได้ในชาตินี้นะก็คือให้บรรลุธรรมอ่าสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงอันนี้คือประเด็นสําคัญในพุทธศาสนาเลยนะพุทธศาสนานี้นจึงไม่ได้เน้นแค่การให้ทานรักษาศีล อันนั้นจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นแก่ น, นเพราะฉะนั้นชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ไปติดอยู่แค่นั้นว่าการให้ทานรักษาศีลแต่ว่าเข้าไม่ถึงอแก่นของพุทธศสนาก็คือการภาวนาให้จิตเราถึงซึ่งความผ่องใสบปลือยสุดเนอะตรงนี้ถึงว่าเออเราชาวพุทธนี้นะถ้าเราเข้าถึงว่าความเป็นชาวพุทธจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมาอ่าเข้าสู่ตัวภาวนาให้ได้นะไม่งั้นเราก็จะไม่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธแท้จริงนะไม่ชื่อว่าเป็นพุทธมามะกะ อ่าเป็นแต่ในทะเบียนเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเรายังไม่เข้าสู่ความเป็นพุทธเลยแม้แต่ น, นิดเดียวนะคร น, น้การภาวนานี่อ่ามันบางคนบอกว่าโอ้มันยากจังเลยนะภาวนายากมากอืมแต่คําว่ายากนั้นจริงๆแล้วเป็นเป็นวิธีการของอย่างอื่นนะบางทีบอกว่านั่งสมาธิให้จิตสงบเนี่ยบางคนนั่งตั้งสิบปียังจิตไม่สงบก็มีแล้วก็มีอยู่นะ เป็นสิ่งที่ยากจริงๆการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนั่งสมาธิจิตสงบธรรมดาใครๆก็ทําได้เนาะคณิกะอาปัปปะหรือว่าอุปจาระนิกไว เ, เรื่องธรรมดาแต่สมาธิจริงๆต้องคือเข้าถึงอัปปนาสมาธิหรือเอกกัตตาจิตนะก็คืออวิตกวิจารปิติสุเอกกตาต้องเข้าสู่ตัวนี้ให้ได้ถ้าเข้าสู่ตัวนี้ไม่ได้ก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นสมาธิจริงๆนะเพราะสมาธิอื่นก็ยังเอามาใช้ประโยชน์จริงๆไม่ได้เพราะนั้นใครที่จะเข้าสมาธิจริงๆนี่ต้องได้ถึง ระดับอัปนาหรือเอกกตาแล้วก็ถอนจิตขึ้นมาพิจารณาในสภาวะธรรมสภาวะใดสภาวะหนึ่งเพื่อให้จิตเกิดการละคายจากความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าที่เมื่อกี้ที่เราสวดไปนั่นแหละในร่างกายนี่มีเกษาโลมาณนะขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังเอ็นตอดหัวใจตับกระดูกน้ำเลือดน้ำเหลืองต่างๆเหล่านี้ก็ เมื่อจิตสงบแล้วก็ยกจิตขึ้นมาพิจารณาร่างกายเหล่านี้น่ะให้เป็นปฏิกูลสัญญาหรือเป็นอสุภะหรือเป็นธาตุสีเพื่อให้จิตเกิดการเบื่อหน่ายนะการที่จะยึดติดกับร่างกายจิตจะได้คลายจากการยึดติดร่างกายแล้วก็ถอนนะความยึดมั่นต่างๆเหล่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้นะนี้มันต้องใช้ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้มันก็มันก็กลายเป็นความยากไปนะเป็นความยาก ในการที่จะภาวนาให้จิตสงบสักครั้งนึงก็ยากนะแต่ถ้าเรามาฝึกในการที่เรียกว่าให้เรารู้เท่าทันจิตของเรารู้เท่าทันกายและใจเราในปีบันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ยากเนาะเป็นสิ่งที่ถือว่าง่ายนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปฝึกที่ไหนนะไอ้การที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยฝึกที่กายและใจเราเท่านั้นเองนะอยู่ที่กายกับใจของเราอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะตามรู้เขาได้ไหม ตามรู้อตามรู้กายตามรู้ใจได้ไหมเราเดินเรารู้ว่าเราเดินเรายืนเรารู้ว่าเรายืนไหมนั่งรู้ว่าเรานั่งไหมนอนรู้ว่าเรานอ น, อนไหมเนี่ยง่ายๆแค่นี้นะมันจริงๆแล้วไม่เป็นเรื่องยากอะไรเลยอยู่ในเรื่องชีวิตประจำวันของเรานี่แหล ะ, ะก็สมัยหนึ่งก็มีพราหมณ์ถามพระเจ้าว่าท่านข้ามพ้นความทุกข์ได้อย่างไรพระเจ้าตอบว่าตถาคตยืนเดินนั่งนอน พรามก็ยิ้มเยอะบอกว่าชาวบ้านเขาก็ทําเช่นนั้นเหมือนกันครูเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกันนะเรายืนก็รู้เรายืนเราเดินก็รู้เราเดินเรานั่งก็รู้เรานั่งอะเรานอนก็รู้เรานอนเนอะเนี่ยก็ก็คือตรงนี้นะเราเรารู้ไหมว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นะมันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรหรอกมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละได้ไหมแล้วก็อทรงบอกอีกว่า อ่าให้รู้นะอ่าคู่แขนเหยียดแขนก็ให้รู้ก้มเงยก็ให้รู้เหลียวซ้ายแลขวาก็ให้รู้ <c oughs> เดินหน้าถอยหลังก็ให้รู้นะอุจจาระปัสสาวะก็ให้รู้นะดื่มน้ำอ่นะกินข้าวทั้งหลายแหล่ก็ให้รู้ไปก็คือรู้ในอิบทย่อยต่างๆนั่นเองนะอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรนะมันไม่ต้องว่าเข้าสมาธิถึงลึกซึ้งถึงขนาดอภปนาเลย ก็อยู่ในชีวิตประจำวันก็อะไรเหมือนกันว่าเรารู้ได้ไหมกายของเราขณะนี้กำลังทําอะไรอยูนะ่คู่แขนเหยียดแขนนี่แหละก้มเงยเหลวซ้ายแรงขวาเดินหน้าถอยหลังรู้ไหมนะจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นเลยนะเพราะนั่นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วนะเราแค่มีความรู้เท่าทันในขณะปัจจุบันนี้เท่านั้นเองว่าขณะนี้ ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่นะกำลังนั่งยืนเ ด, เดินนอนคู่แขนเหยียดแขนกําลังรู้รู้ไหมเนี่ยแค่เรารู้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะครั้นี้เมื่อเรารู้กายแล้วเนี่ยรู้กายซึ่งเป็นของหยาบนะมันก็จะเริ่มรู้ความละเอียดเข้าไปอีกก็คือเริ่มรู้จิตของเรานะจิตของเราเนี่ยจริ ง, รงๆแล้วมันว่องไวนะมันรวดเร็วมากนะมันแบ๊บแป๊ทั้งวันสมัยก่อนเราคิดเก่งมากนะนะคิด อบางทีห้านาทีคิดไปต้องสิบเรื่องอันนี้บางทีคิดไปสิบเรื่องเรายังไม่รู้ว่าเราคิดเลยนะออันนั้นเขาเรียกว่าเราหลงไปแล้วนะหลงไปยาวเลยหลงไปตั้งสิบเรื่องยังไม่รู้เลยนะคราวนี้ถ้าเรามีสติแล้วเป็นยังไงนะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วเออมันคิดไปนะ เ, ออเรื่องสองเรื่องก็เริ่มรู้ละขณะนี้กำลังคิดไป อ, อ่าอาจจะรู้เรื่องที่เรากำลังคิดอยู่เออตอนนี้ที่บ้านกําลังทําอะไรนะเ อ, อเพื่อนเราไปเที่ยวที่ไหนนะ อันนั้นเราเราจะเริ่มรู้ว่าเราเริ่มรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรแต่อันนั้นมันก็ยังไม่ยอมหยุดนะเรารู้ไปเออเพื่อเราไปเที่ยวไหนสนุกจังเลยอ่าแต่ไม่ก็ยังไม่ยอมหยุดแต่ถ้าเรารู้ว่าเออขณะนี้เรากำลังคิดอยู่นะพอเรารู้เช่นนี้ปุ๊บความคิดหยุดเลยนะหยุดทันที <c oughs> เพราะว่าการที่เรารู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอยู่นั่นแหละนี่คือสติแล้วนะนี่คือความที่เราระลึกได้ว่าขณะนี้เราคิดไปแล้วนะ เมื่อเราลึกได้เช่นั้นปั๊บความคิดหยุดเลยมันจะไม่เหมือนกับที่เออเรารู้ว่าเรากําลังคิดเรื่องอะไรแต่ก็ยังคิดต่อไปแต่ถ้าเรารู้ว่าขณะนี้กำลังคิดปุ๊บไม่ต้องรู้เรื่องเราคิดอะไรหรอกรู้ว่าขณะนี้นี่กำลังคิดปุ๊บมันก็จะหยุดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีกําลังของสติเหนือความคิดนะเหนือความคิดเมื่อเรารู้ปั๊บเนี่ยความคิดก็จะอ่อนนะเพราะกําลังของสติเราเหนือกว่าความคิดก็จะเริ่มอ่อนแออ่อนแอไปเลยนะอ่อนแอแล้วเขาก็หยุดไปเลยนะ ซึ่งมันต่างจากเมื่อก่อนที่เราไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอเพราะฉะนั้นจิตหรือความคิดนี่จึงมีกําลังเหนือสติของเรานะเหนือเหนือเรานะเหนือจิตของเรานะมันก็เลยไม่ยอมหยุดนะพอเรารู้เท่าทันความคิดบ่อยๆเออคิดตับอ่าสิบครั้งเรารู้สักแปดเก้าครั้งอันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เ, เ, เลยนะอันนี้มันทําให้จิตตื่นเลยนะจิตตื่นได้ทุกๆครั้งอ่าการที่เราจิตไหลไปเรารู้ทันเนี่ยจิตจะตื่นนะ เมื่อความคิดไหลไปเราก็รู้รู้ทันจิตจะตื่นนะจิตจะตื่นอีกครั้งอันนี้คือการไปเขย่าท่านรู้หรือไปปลุกท่านรู้อจากการที่เรารู้ทันความคิดบ่อยๆนั่นเองนะเพราะนรูปเทียนจึงบอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้นั่นเองอ่าเรายิ่งคิดยิ่งรู้ก็หมายความว่ามันมันคิดก็ไม่เป็นไรหรอกคิดไปสิบครั้งก็ไม่เป็นไรให้เรารู้ก็แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องรู้สิบครั้งด้วยก็ให้รู้เท่านั้นเองรู้กี่ครั้งก็ได้ก็ไม่เป็นไรรู้หครั้งจิตก็ตื่นหครั้งนั่นแหละอ่าตรง มันจะทําให้จิตตื่นนะเมื่อมันจิตตื่นแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความคิดจากเมื่อก่อนที่เราคิดไปสิบเรื่องเรารู้น้อยมากเลยนะอาจจะรู้เรื่องสองเรื่องแต่ตอนหลังเราจะเริ่มรู้แล้วเออคิดไปเรื่องหนึ่งเราก็รู้ทันสองเรื่องก็รู้ทันเนี่ยก็คือจะเริ่มเห็นความคิดแล้วนะอ่าเมื่อจิตตื่นแล้วจะเริ่มเห็นความคิดได้ชัดขึ้นเราจะรู้สึกว่า เ, าเราทำํำไมคิดเก่งจังเลยนะแต่นั่นก็คืออาการหนึ่งของจิตตื่นนั่นเอง อคราวนี้เมื่อเมื่อเราเห็นความคิดได้แล้วเนี่ยต่อไปจิตก็จะเริ่มเห็นอารมณ์ต่างๆได้นะคือความรักความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความกลัวต่างๆนี่คืออารมณ์ต่างๆที่เข้ามาในจิตของเราทั้งหมดนะจากเมื่อก่อนที่เราไม่เห็นเราก็ไปติดอารมณ์ต่างๆเออใครก็มาดินทาเรานิดนึ่งเราก็ติดอารมณ์แล้วเราก็วนอยู่ในความคิดเออมาว่าเราทําไมมาดินทาเราทําไม อะไรเงี้ยมันก็ยาวเหยียดนะบางทีไม่แค่นั้นเราก็ไปโต้เถียงกับเขากลายเป็นบางทีก็ไปทะเลาะกันไปกดเครืองกันไปมีความแค้นความพัยาบาดาลอาฆาตกันต่อไปอีกเพราะว่าเรารู้ไม่เท่าทันอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะเกิดจากการเรารู้ไม่เท่าทันแต่เมื่อจิตเรามีกําลังมีกําลังก็คือมันมีกําลังจากการที่เรารู้ความคิดก่อนนั่นแหละจิตมันตื่นปั๊บเนี่ยต่อไปเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจเรานะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ เมื่อกี้ที่บอกมาในความรักความชังอะไรทั้งหลายแหละนี่แหละพอเกิดมาปุ๊บเราจะเริ่มรู้ทันเลยขณะนี้คนเข้ามาด่าเราปุ๊บเราจะเริ่มเห็นแล้วขณะนี้กำลังมีความหงุดหงิดแล้วนะกําลังมีความขัดเคืองแล้วนะกาลังมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วนะคือมันจะเริ่มเห็นต้นๆของอารมณ์นะสมมติว่าความโกรดนี่คือเลขห้านั่นแหละเราจะเริ่มเห็นเลขหนึ่งสองสามสี่นะก็คือเห็นคนเข้ามาด่าเราปุ๊บจะมาก่อนเราโกรธเลยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเขณะนี้กำลังหงุดหงิดกําลังขัดเคืองไม่พอใจอ่า กำลังไม่ชอบต่างๆขึ้นมากําลังหุดหงิดมันจะเห็ น, นเลขหนึ่งสองสามก่อนนะพอเราเห็นหนึ่งสองสามปุ๊บถ้าจิตมีกําลังจริงๆนะเห็นมีกําลังจริงจิตก็จะรู้เฉยนะอันนี้คนมีกําลังแล้วพอเห็นเลขหนึ่งปุ๊บจะรู้เฉยพอรู้เฉยปุ๊บมันจะดับเลยกลายเป็นเลขศูนย์แต่ถ้าไม่มีกําลังถึงแม้เห็นเลขหนึ่งแล้วเนี่ยไม่มีกําลังก็จะไปคิดต่อเออจะหาเห็นหาผลต่อเข้าว่าแล้วทําไม เข้าอะไรทำไมก็จะเริ่มเป็นเลข2เลขสามเลขสี่อาจจะเข้าถึงเลข5้ได้ครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้รู้เฉยๆนะจิตมัน ม, มีกําลังมันก็ไปคิดต่ออนะ่อ่าครั้นี้ถ้าเขามาว่าเราปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไขว้ควนนิดนึงก็ได้หรือหาเหตุผลนิดนึงก็ได้เพราะเราเข้าใจปุ๊บเราเรารีบหยุดเลยนะเราก็ลุยเฉยต่อไปมันก็กลับมาเป็นเลขศูนย์ย่งเก่าได้นะตรงนี้จิตมันมีกําลังนะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถรู้ท่าทานอารมณ์ต่างๆได้เนี่ย เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะเป็นสิ่งที่ดีมากนะอันนี้ถือว่าเราเริ่มได้การปฏิบัติธรรมแล้วในตรงนี้มันได้ได้ผลทางของการปฏิบัติธรรมแล้วอนะคาราวนี้เพียงแต่ ว, ว่าตรงเนี้ถ้าใครจะต่อยอดตรงนี้ก็นิดนึงก็ให้รู้เฉยๆก็ใช้ได้นะแต่ถ้าใครไม่รู้เฉยๆก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเรารู้ทันว่าขณะนี้กลาลังมีลมอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะพอหลังที่เรารู้ทันแล้วเราอาจจะอยู่กับมันก็ได้หรือจะผัดใส่เขาก็ได้นะก็ไม่เป็นความผิด เพราะว่าเราเรายังเป็นปุถุชนอยู่เราก็ยังไม่มีกําลังที่จะรู้เฉยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้เฉยก็ไม่เป็นไรมันคนเข้ามานินทาเรามาว่าเรามาอะไรเราแล้วก็อาจจะอ่ า, อาจจะไม่รู้เฉยหรอกเราก็รู้ว่าขณะนี้มันรู้นะอรู้ทันความโกรธนะแต่มันก็ยังไม่รู้เฉยได้มันก็ยังอาจจะไปเถียงเขานะหรือไปจมแนวรมต่างๆเหล่านั้นหรือเออมันผักใสเลยนะโกรธเนอโกรธเนอขับไล่เขาทันทีนะอย่ากโกรธนะอะไร อันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อรมอะไรเกิดขึ้นให้เรารู้เฉยๆก็พอแล้วอย่าไปผักใส่เขาแล้วก็อย่าไปติดกับเขานะตรงนี้ถึงจะถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเรามีกําลังเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะเริ่มรู้เฉยๆได้นะมันจะไม่ไปหาเหตุผลอะไรเยอะแล้ะละจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเราก็รู้เฉยๆก็พอแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อการรู้เฉยๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสักแต่ว่านะสักแต่ว่าอสักแต่ว่านี้มันเป็นสุดยอดของการบุิบัติธรรมเลยนะสักแต่ว่าเนี่ยมันก็คือการที่เราไม่อะไรกับอะไรเขานั้นเองนะอย่างที่พระพายยะนั่นแหละที่ฟังพระเจ้าบอกว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจะไม่มีในโลกนี้ท่านจกไม่มีในโลกในโลกหน้าท่านจกไม่มีในโรกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละ ขอพับใหย่าได้ฟังนั้นก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยบรรลุธรรมได้เร็วที่สุดในเอตตะเป็นเอตตะตะคะที่บรรลุธรรมเร็วที่สุดนะแล้วก็ยังมีองค์หนึ่งก็คือออีกองค์หนึ่งก็คือนะก็เลยลืมชื่อเวสไดเวสไดาอามาลุงกยบุตรนะนึกไดาแลมาลุงกยบุตรมาลุงกยบุตรก็ถามพุทเจ้บาบอกว่าข้าพระองค์อายุมากแล้วอ่าควรจะแบบเช่นไรจึงได้ผลเร็ว พระพุทธเจ้าบอกว่ามาลงกมัยบุตรเธออย่าไปเพลิดเพลินในลมต่างๆให้ล่าลมต่างๆให้เร็วเหมือนกับกระพริบตาฉันั้นแล้วก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่รู้ก็คล้ายๆพระพายาณนั่นแหละอพอฟังไม่นานปฏิบัติต่อมาท่านก็บรรลุเป็นพระริยาเจ้าได้เนาะตรงเนี้ก็จึงว่าเอการที่เราสักแต่ว่าเนี่ยคืออะไรก็คือรู้เฉยๆนั่นเองนะคือการที่เราไม่ไปให้ค่าในสิ่งต่าง การที่เราไม่ให้ค่าในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะทะมลมก็คือไม่ให้ค่าในการที่เราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราได้ริ้มรสเราได้กระทบเยลอ่อรองแข็งหรืออารมณ์ที่นึกคิดทั้งหลายแหลเราไม่ให้ค่าในสิ่งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีอายณะอยู่ก็คือเรามีตาหูจมูกรินกายใจอยู่เราก็ต้องกระทบแน่นอนนะกระทบแน่นอนและการกระทบนั้นก็ทําให้เกิดอารมณ์ตามมาใช่ไหอันนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่แล้ว แต่เมื่อเกิดอารมณ์ตามมามันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดของเรานะไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดของเราเราปฏิบัติธรรมแล้วเออมันเรามีความโกรธเป็นเรื่องผิดของเราไหมไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ความผิดของเรานะตรงนั้นไม่ใช่ความผิดของเรานะแต่เราสามารถที่จะเมื่อไม่ใช่ความผิดเราตรงนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะไม่ให้ฆ่ากับเข้าได้ใช่ไหมไม่ใฆ่ากับเข้าไปเลยอ่ะการไม่ฆ่าเนี่ยแหละก็คือรู้ยเฉยก็คือสักแต่บ้านนั่นเองนะ ครั้นนี้ที่ว่ามันไม่ความผิดของเราเพราะอะไรไอ้ความโกรธนัน่นนะมันไม่ความผิดของเราหรอกนะเข <c oughs> าเรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเ <c oughs> พราะตราบใดที่เรายังมี อ, ยอยายตนะอาตนะทั้งหกอยู่นะมีอนุสัยกิเลสอยู่เมื <c oughs> <c oughs> ่อกระทบแล้วอนุสัยกิเลสก็จะทํางานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเรื่องที่ทํางานก่อนุสัยกิเลสนะอันนี้สังเกตเป็นใสกิเลสนะครั้นนี้อนุสัยกิเลสเกิดขึ้นจากอะไรนะพระพุทธเจ้าได้ทรงบอกไว้แล้วว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่ให้ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้นะอันนี้บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะถ้าเราสวดมนต์ธรรมชาตนี่ก็จะมีการสวดตรงนี้ประจํารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ให้ตัวไม่ตนหรือถ้าใครเคยสวดอนุกรรคธนสูตรอันนี้ยิ่งชัดเจนเลยนะทีอ่าพระวิชาได้ถามปัญญาวิคีว่าดูความพิสษุน์ทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ให้เจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือจะตามคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นเจ้าข้าหลังนั้นพระเจ้าก็เลยแยกแยะว่าขันห้าทั้งห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาอย him, like so it ่างไรแันละเมื่อฟังจบแล้วพระพุทธคีรีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยตรงนี้พระเจ้าได้พูดชัดเจนแล้วว่าขันทั้งห้าไม่ตัวไม่ตนของเราเพราะฉะนั้นขันทั้งห้าก็คือกายและใจ นะโดยพอใจนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้วเนาะคือมันไม่ใช่ว่าเราไปบัติเพื่อการละอัตตาตัวตนนะไม่เป็นการปไปบัติเพื่อละกิเลสแต่ความจริงมันไม่ใช่ตัวตนตั้งแต่ตนแล้วมันไม่มีตัวตนตั้งแต่ตนแล้วนะเมื่อมันไม่มีตัวตนตั้งแต่ตนแล้วกิเลสมันก็จึงไม่มีไปด้วยนะมันไม่ใช่การละกิเลสนะแต่เป็นการเรื่อว่าเราทําลายความเข้าใจผิดต่างหากว่าตรงนั้นเป็นตัวตนของเราเนาะคราวนี้เมื่อเราคิดว่าจิตเหมือนของเรา สิ่งนี้เกิดจากจิตก <ansa. S 2> mm. ็เลยเป็นของเราด้วยเช่นความโกรธก็เป็นของเราด้วยเราก็ตั้งใจละเขาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของเรานะแต่ว่าเจ้าบอกแล้วว่าจิตไม่ใช่ของเราเพราะนั้นกิเลสเช่นความโกรธจึงไม่ใช่เราด้วยะเมื่อไม่ใช่ของเรามันจึงปอะไรก็เป็นไปตามเหตุตามบัจจตใจหรือเป็นตานานุสัยของเขาเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ของเราในหลักจึงว่าความโกรธที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของเราแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยใะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปได้อยู่แล้วเราไม่ ไ, ไปยุ่งกับเขาเพราะว่าจิตก็คืออยู่ส่วนจิตนะมันส่วนอารมณ์ก็คือส่วนลมมันคนละส่วนกันนะจิตเราปกติมันก็ไม่มีอารมเข้ามาหรอกแต่ว่าโดยการที่จรของมาของกิเลสเช่นอ่าจิตเรานี่จะมีอเช่นอารมณ์ความโกรธเนี่ยอาจจะเข้ามาจรนเข้ามาปับ๊บเมื่อเราไม่ให้ค่าเขาก็จะจากไปอย่างรวดเร็วนะแต่เมื่อเขา กระทบอารมณ์เป็นความโกรธปุ๊บเราไปยึดเขาไปกรรมเ้าเลยนะว่าเออเราโกรธปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่กับเรานานนะมันก็ไม่ออกไปง่ายๆ่าอนะตรงนี้เกิดจากการเราให้ค่าเขาเราไม่รู้เฉยเฉยเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอเมื่อจิตเรามีอยู่อารมณ์เป็นคนละส่วนกันเมื่อเข้ามากระทบปับ๊บเราไม่ค่าไม่สนใจนะไม่เกี่ยวข้องด้วยนะรู้เฉยเฉยเขาจากไปทันทีนะก็หลุดไปทันทีเลยนะคืออารมณ์จริงๆเขาเป็นแบบนี้เองนะ คว่าไม่ให้ข้า่นี้ไม่ใช่การผักใสนะไม่การมันแค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองมันก็หลุดไปเลยนะการผักใสนั่นแหละมันไม่ใช่รู้เฉยๆมันก็จะไปติดในตรงนั้นเพราะการผักใสมันก็เป็นวิภาวะตัณหาตัวหนึ่งนั่นเองเนาะมันก็ไปติดอารมณ์ต่อยอีกนั่นแหละจริงว่าอถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วนะจิตมันจะอารมณ์ทุกอย่างมันจะผ่านอย่างรวดเร็วนะเพอาะเรามีสติจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ทุกอย่างมันอยู่ในใจเราไม่ได้แล้มันผ่านหมดนะเขาเรียกว่า มันจะผ่านทุกๆอย่างนะทุกสภาวธรรมมันผ่านหมดนะมันไม่ได้ติดข้องอย่างสมัยก่อนนะให้เราสามารถที่จะรู้เฉยๆจริงๆกับทุกๆลมเพราะฉะนั้นการปิธรรมในตรงนี้หมายความว่าเราสังเกตได้ไหมว่าขณะนี้มีสภาวธรรมอะไรเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อสังเกตได้แล้วเรารู้เฉยๆได้ไหมนะแค่นี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเยอะไปกว่า น, นี้เลยนะเพราะอย่างในพริรยาสั์สีก็บอกว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะ สมุทัยเป็นสิ่งต้องละนิโรธเป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้ ง, มงมนะกกอมรรคเป็นสิ่งต้องทําให้เกิดเพราะฉะนั้นทุกข์น่ะทุกข์ก็คืออารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งเราต้องรู้นะก็แค่รู้ก็พอแล้วไม่ต้องไปละเขาแต่เมื่อเรารู้แล้วรู้เฉยๆ เ, เขากจ็จะดับไปเองนะดับไปเองเลยนะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะอ่านะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ยากหรอกมันเป็นสิ่งที่ง่ายซะด้วยนะ เพราะอย่างที่อาจารย์เมาสารเทศมิชาบอกว่าการปฏิบัตินี้มันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่เราจะต้องไปได้อะไรได้บรรลุอะไรได้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าจยกตัวอย่างหลว ง, งพ่อเฟื่องนั่นแหละไมีลูกสิมาถามหลวงพ่อเฟืงหลวงพ่อเฟืองบอกว่าเออผมปฏิบัติมาต้องหลายปีแล้วทำไมไม่เห็นได้อะไรเลยหลวงพ่อเฟืองบอกว่าปฏิบัติไม่ได้ไม่ไเพื่ออะไรแต่เพื่อเป็นการปล่อยคลายความยึดติดการละการวางต่างหาเนาะเพราะฉะถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไร แตปฏิบัติแล้วเราละคายความยึดติดได้ไหมไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางได้ไหมเนี่ยตรงนี้มันจริงตรงประเด็นได้ไดมากกว่าใช่ไหมถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเนี่ยการปฏิธรรมมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเพราะว่าถ้าเราไปหวังที่จะได้อะไรจากการปฏิธรร ม, มก็เป็นสิ่งดีแต่ว่ามันก็จะทุกข์เพราะมันไปวนเวียนวนเวียนในสภาวะธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นไปตามพระไตรักษคือความเป็นเน่นจังทุกขังนาตาเนาะ เราสังเกตได้บางวันเราก็ปฏิบัติทำได้ผลดีพอวันรุ่งขึ้นเราก็ไม่ดีเมื่อวานรู้สึกตัวดีวันนี้ไม่รู้สึกตัวเมื่อวานจิตสงบวันนี้จิตไม่สงบอันนี้ก็คือสภาวะของความเป็นจริงของปัตยรักซึ่งเขาแสดงถึงความไม่เที่ยงเราเห็นแล้วว่าระบังคับบัญชาเขไม่ได้เจอมั้ยคราวนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ว่าเมื่อวานเราไิบัติแล้วรู้สึกตัวดีวันนี้ไม่รู้สึกตัววันนี้กลับไม่ค่อยรู้สึกตัวเราก็มีความทุกข์ ว่าเราแย่แล้วเราไม่ดีเลยนะเราการปฏิบัติตกต่ําเนี่ยเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิกฤติประวัตาสเรากลับมาเห็นไหมาว่าเออเนี่ยเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีนี่เขาแสดงวาไตรักระเราเห็นแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจพระไตรักระว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะเพราะเราเข้าใจชิ้นนี้แล้วจิตก็จะค่อยๆ ค, ค, คลายความยึดติดในความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตวนออกไปนะอ่าเพราะเราบังคับบัญชาสิ่งต่างๆไม่ได้นั่นเองนะ เพราะการบัตรททั้งหมดก็คือให้กลับมารู้ในภัตตายักษนั่นเองในความที่ว่าเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้นั่นแหล ะ, ะเมื่อเราบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ให้ตัวไม่ตนเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจใจเพราะฉะนั้นใครที่ไปบัตรแล้วโอ้เราฟุ้งซ่านยังเลยก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ไปทุกข์กับเขาแต่เรารู้ในปัจจุบันไหมว่าเราฟุ้งซ่านก็ใช้ได้แล้วเพราะเรารู้สภาวธรรม นี่แหละคือสติก็คือการระลึกได้ในปัจจุบันนั่นเองเมื่อระลึกได้แล้วนะอ่รู้ใช้เข้าก็ดับไปนะหรือดับไม่ดับก็ไม่เป็นไรอีกอันนี้ก็คือสติแล้วนะมันเป็นการปฏิทินสมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่ตรงนี้แล้วไม่เชื่อปฏิบัติแล้วมันต้องไม่มีความฟุ้งซ่านเลยปัจบันห้าปีสิ 10, ปีก็เป็นมีความฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาแล้วแหละใช่อหมถ้าเราเข้าใจในตรงนี้เราก็ไม่ทุกข์กับเขาแต่เราไม่เข้าใจเราจะทุกข์กับเขาอยู่เสมอปะปจุบันห้าปีสิบปีก็ยังมีความโกรธได้ไม่ใช่ไม่่่มมีคววาาโกแต เราเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นไปตามเหตุตามบัยใะเราก็ไม่ทูกกับเขานะแต่จิตจะมีกําลังในการรู้เฉยๆไปเรื่อยๆแล้วในสุดเขาก็จะน้อยลงไปเองนะโดยสภาวธรรมเขาจะน้อยลงไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปเชื่อเชิญให้เขาอยู่กับเรานานนะจิตเราเมื่อเราสามารถที่จะปล่อยวางนะคือจิตมันปล่อยวางมันเองนั่นแหละถ้าเราเข้าถึงสภาวธรรมหนึ่งไม่เกิดการปล่อยวางได้เองนะมันจะไม่เชื่อเชิญเขาแบบในสมัยอดีตแล้วเมื่อแขกมานะ เวลาแขกมาปุ๊บเราไปเชื้อเชิญเขาเออเขามานะมาะทานข้าวต้มมาเลี้ยงดูอย่างดีเขาก็มาบ่อยๆอันนี้เกิดจากการเชื้อเชิญเขานะแต่ถ้าแขกเขามาแล้วเราไม่เชื้อเชิญเขาเราก็รู้เฉยเราก็ไม่ขับไล่ผักใส่เขาแต่เราไม่เชิญเขามาเขาก็เองหน่อยเขาก็ไม่มาเองนะเพราะฉนั้นสภาวธรรมก็เหมือนกันนะเราก็ไม่เชื้อเชิญเขาหรอกแต่เราก็ไม่ผักใส่เขามาก็มาก็ไม่เป็นไรเราไม่ฆ่านะคำว่าให้ฆ่านี้ก็หมายความเราไปทุกข์กับตรงนั้นด้วยนะ เออเราปฏิบัติแล้วไม่ดีเราก็ไปให้ค่าเขานั่นแหละแต่ว่าเราไปบันไม่ดีเราก็รู้เฉยเก็ไม่เป็นไรก็คือเราไม่ไปให้ค่าในตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทุกนะตรงนี้คือการที่ว่าเราไม่ให้ค่าในทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าเป็นความผิดเราเออเราโกรธเป็นความผิดเรานี่เราก็ให้ค่าแล้วนะอ่าตรงนี้แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็กลายว่าเราจะไม่ติดในทุกสภาวธรรมทุกภาวะธรรมมันก็ผ่านหมดหนะ ม, มาแล้วผ่านหมดเลยผ่านทันทีด้วย จิตมันจะค่อยๆ ค, คลายโดยตัวมันเองได้โดยตัวมันเองเพราะเกิดจากการที่ว่าจิตมันค่อยๆที่จะเข้าใจในทุกอย่างว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเพราะนั้นมันก็เจอตรงที่พระเจ้าได้ทรงตัดไปว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายยะทำทั้งหมดก็คืออาการที่ไม่ยึดติดนะทำทั้งหมดก็คือการที่ปล่อยวางในสภาวะตัวมันเองนะเป็นธรรมที่สุดยอดในตรงนี้ที่พระเจ้าได้ทรงสลับสรุปให้เราฟังในตรงนี้ว่า ทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะมันก็จะเป็นการคลายออกจากทุกๆสภาวธรรมเลยนะอันนี้จะเห็นว่าทิปในพูดในครั้งแรกว่าการให้ทานนั้ น, นถ้าเราให้ทานได้ถูกต้องจิตก็จะเกิดการคลายออกก็คือตัว น, นี้นั่นเองนะเพราะการที่เราให้ทานโดยที่เราไม่ยึดติดในตรงนั้นแล้วว่าเราต้องได้อะไรกลับมามีการสนองอะไรกลับมาจากให้ทานนั้นจิตก็จะเกิดการคลายออกเพราะฉะนั้นจิตที่คลายออกก็คือจิตที่ไม่ยึดติดในทุกสภาวธรรมนั่นเอง นะตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วการปฏิบัติธรรมของเราก็จะง่ายเพราะว่ามันไม่ปฏิบัติเพื่อว่ามันจะต้องดีทุกอย่างนะหรือต้องสงบหรือต้องมีสติหรือต้องไม่ฟุ้งซ่านเลยหรือต้องไม่โกรธเลยแต่ว่าอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะเข้าใจเข้าแล้วว่าเป็นไปตามเหตุตาปัจจัยนะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จากไปเองนะมันไม่เป็นไม่ไม่เกี่ยวกับเรานะ มันเป็นของเขาเองเช่นนั้นเองนะไม่ได้เกี่ยวกับเราแม้แต่นิดเดียวนะอะเพราะว่ากายและใจไม่ของเราแล้วเพราะฉนั้นสภาวะต่างๆที่เกิดจากกายและใจที่ไม่ไม่ใช่ของเราจึงไม่ใช่ของเราด้วยเนาะเอาละตรงนี้มันได้ละกลายเป็นว่าเป็นอัตตาเป็นอนัตตาจริงๆเนาะไม่งั้นเราจะไม่เข้าถึงอนัตตาที่แ ท, ท้จริงแต่กครั้งหนึ่งนะอในโอกาสปีใหม่นะสงกรานนี้ก็ขออารัธนาบารมีคุณพระพุธพะทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะ มาน้อมนำให้พวกเราทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน